เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับเป็นเรื่องราวของคุณสกัดินที่ได้นำเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญของแกมาเล่าให้กับพวกเราชาวสมผัสสยองฟังกันก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยสมัมผัสสยองเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านยายของผมเองซึ่งเป็นบ้านไม้แบบโบราณยกพื้นสูงด้านล่างเป็นเสาปูนและมีใต้ถุนบ้านบ้านหลังนี้เคยเป็นของทวดผมซึ่งทวดของผมนั้นก็คือพ่อของยายผมเนี่ยแหละสมัยก่อนแกเคยเป็นหมอผีในบ้านของยายก็เลยมีไม้ตีผีไม้กรองผีแล้วก็ผ้ายันต่างต่างตั้งแต่ทวดตาย ของต่างๆภายในบ้านที่เป็นของทวดก็ยังอยู่ดีไม่มีใครออาไปไหนต่อมาเมื่ายายของผมตายไปผมก็ได้เข้ามานอนในบ้านหลังนี้เป็นพักๆจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนผมมาเที่ยวที่บ้านผมก็เลยชวนมันนอนค้างด้วยที่บ้านยายผมเพื่อนมันก็ชวนบอกไปซื้อเหล้ามานั่งกินกันดีกว่าพอซื้อเสร็จมันก็เข้าไปสำรวจภายในบ้าน ขณะที่มันเดินสำรวจอยู่นั้นมันก็ไปสะดุดตาเข้ากับผ้ายันแล้วมันก็ถามผมว่าขอสักผืนได้ไหมผมก็บอกว่าได้เอาเลยเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วมันก็เอื้อมมือไปหยิบผ้ายันแต่พอเอาผ้ายันมาถือได้สักพักหนึ่งเพื่อนผมมันก็บอกว่าแมวแ้ ว, ว่าเพื่อนไม่อยากได้แล้วตอนนั้น ผมก็งงกับมันเหมือนกันเจ้ายังไงกันแน่จากนั้นก็ชวนมันมาตั้งวงนั่งกินเหล้ากันคุยนั่นนี่ตามประษาเรานั่งกินกันไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยมาเที่ยงคืนกว่ า, วาเพื่อนก็ได้ยินเสียงมันดังมาจากใต้ถุนบ้านด้วยความที่เพื่อนผมเมาแล้วก็เลยใช้เท้ากระทืบลงไปบนพื้นไม้ที่ได้ยินเสียงนั้น แล้วพูดว่าเฮ้ยมีอะไรก็ขึ้นมา้ังบนสิวะจะคอบไปทำไมใต้ถุนวะแล้วมันก็กลับมานั่งกินเหล้ากับผมต่อสักพักก็ได้ยินเสียงที่ห้องน้ำแล้วก็ดังที่หน้าต่างอีกจากนั้นก็ดังรอบบ้านเลยคราวนี้เพื่อนผม <S <S จากที่มันเมาเมาอยู่คราวนี้ก็สั่งมเมาเลย แล้วสีหน้ามันก็ตกใจแบบสุดๆมันบอกกับผมว่ามึงไปส่งกูที่บ้านดีกว่ า, วาเพื่อนกูนอนไม่ได้แล้วที่บ้านมึงคืนนี้ด้วยผมจึงต้องขับรถไปส่งมันกลางดึกคืนนั้นเลยพอเช้ามาผมก็ไปรับเพื่อนผมมาทีเพื่อที่จะถามมันว่าเสียงที่เพื่อนผมได้ยินนั้นเป็นแบบไหนพอมาถึงที่บ้านยายผม มันก็เดินหาต้นตอของเสียงนั้นอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็เดินไปที่ไม้ตีผีจับเอามาเคาะกับพื้นไม้บนบ้านมันบอกทันทีเลยว่าเนี่ยแหละเมื่อคืนเสียงไม้นี้เลยเหมือนมีใครเอาไม้มาเคาะรอบบ้านเลยเมื่อคืนเนี่ยมันคงเจอดีเข้าแล้วด้วยความสงสัยผมก็เลยถามมันอีกว่าแล้วผ้ายยนที่ขอทำไมไม่เอาวะเพื่อนมันก็บอกว่า ตอนที่มันหยิบผ้ายันอยู่นั้นมันเห็นมีคนแก่แกตาแดงก่ามายืนชี้ที่ผ้ายันซึ่งดูเหมือนกับว่าจะไม่ให้เอาไปแล้วให้อาวางไว้ที่เดิมมันเลยตกใจไม่กล้าเอาไปผมก็สงสัยว่าคนแ ก, แก่คนนั้นคือใครเพราะเพื่อนผมมันก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมก็เลยลองพามันไปดูรูปบรรพบุรุษที่อยู่ในตู้บนบ้าน มันก็เลยบอกว่านี่แหละคนนี้เลยลายรูปที่เพื่อนผมชี้อยู่นั้นก็คือรูปทวดของผมเองหลังจากนั้นเพื่อนมันก็กลัวเข็ดไม่กล้ามาบ้านผมอีกนานเลยผมคิดว่าทวดผมคงไม่พอใจที่เพื่อนผมมาเที่ยวที่บ้านหลังนี้แล้วผมก็ไปถามแม่ผมว่าทำไมหลังจากยายตาย บ้านหลังนี้ไม่ให้คนอื่นเช่าแม่ผมก็บอกว่าหลังจากยายตายก็มีคนมาเช่าอยู่สองสามคนแต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงคนเดินหรือไม่ก็ได้ยินเสียงเคาะตึงตึตังๆทั ง, งทงั ท, งที่ไม่มีใครอยู่เลยจนอยู่ไม่ได้สักคนนีกระเจิดกระเจิงกันไปหมดพ่อแม่ผมจะตั้งศาลพระภูมิที่บ้านยาย แกก็ไปพาร่างทรงมาที่บ้านแม่ผมได้ถามร่างทรงว่าทำไมใครถึงเช่าอยู่ไม่ได้เลยร่างทรงเลยบอกว่าทวดแกไม่ให้คนื่นมาอยู่ให้อยู่ได้แค่ลูกหลานอย่างเดียวเท่านั้นคนนอกแกไม่ให้อยู่ถ้าใครจะมาอยู่ก็จะเจอดีกันทุกรายตอนนั้นผมจึงได้รู้ว่า เพื่อนผมคงโดนทวดผมเล่นงานเอาแล้วแน่แน่ส่วนใครที่มีเรื่องราวอาถรรพ์สยองขวัญลึกลับแปลกประหลาดหรือน่ากลัวอยากจะนำมาแบ่งปันก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์เฟ e บุ๊กแฟนเพจสัมผัสสยองได้เลยนะ สัมผัสสยอง